ขออัญเชิญพระวจนะหัวข้อพระเจ้าแสนดีพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมสะดุดีบทที่สามสิบเจ็ดข้อยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้าความว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทาน เขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขาก็เป็นคำพรจงพรากเสียจากการชั่วและกระทาความดีและท่านจะดำรงอยู่เป็นนิจเพราะพระเจ้าทรงรักความยุติธรรมพระองค์จะไม่ทอดทิ้งธรรมิกชนของพระองค์จะทรงสงวนคนเหล่านั้นไว้เป็นนิจแต่ลูกหลานของคนอธรรม จะถูกตัดออกไปเสียคนชอบธรรมจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและอาศัยอยู่บนนั้นเป็นมิตรสวัสดีครับท่านผูุ้โสพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านในเช้าวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะเทศนานะครับผมขอที่ประชุมที่จะได้ต้อนรับแขกของเรานะครับคือคุณชันชัย สุดใจแล้วก็มิสจูเลียรูเวนนะครับพระเจ้าไวพรครับครับหัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้คือพระเจ้าแสนดีนะครับก่อนที่เราจะฟังคำเทศนานะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสดูคลิปวิดีโอและผมเชื่อแน่ว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับท่านผู้มุโสทุกท่านเนี่ยคงดูแล้วคงจะได้สบายใจนะครับแล้วก็มีรอยยิ้มด้วยครับ ท่านจำเนินแห่งนี้ได้ใช่ไหมครับแต่เป็นเนินที่เป็นฉากหลังของ The Sound of m u s i right years later, You can still hear the sound of music. h t It b a o u 50 e s t n a w h o to a h e f t town with, with the towering, the towering right. castles at the foot of the mountains with the rolling river. It's where Mozart was born. 150,000 people live in Salzburg, but 6.5 million tourists arrive here every year, and most are in search of the story that reminds you to find your own dream. Families come to re-enact the joyful dance, shot for shot. We see fans imagining themselves inside <laughs> their favorite <laughs> scene. You know, the ones that lift the heart. On the sound of music tour buses, young and old dress as their favorite characters, singing along. Uh, From all over the planet to that little gazebo where Liesel and Rolf were 16 going on 17. <laughs> and there is someone else who has arrived in Salzburg, the actress with the astonishing voice, the luminous face. 50 years later, Julie Andrews, 79. She meets up with She us in really a do, treasured no? place, well, a terrace know? by no? a river filled no? with so no? many memories. Isn't it pretty? I think this was actually my favorite location. Her favorite locations. In the movie, this house was used as the set for the backyard of the Van t r o p p home. It's the place where a high-spirited nun frees seven children from stultifying rules. Dressed in play clothes out of curtains, they go canoeing, excited when their father comes home. At least that's what I remember after falling in love with the movie long ago. But Julie Andrews remembers something else. What was really happening outside the frame? Watch these rarely seen home movies shot by the parents of the children. Just as we were about to shoot, the second AD came up to me and said, "Can I just tell you something? The little one doesn't s p i m I said, "To c o u l d you forward." ครับพี่น้องครับนี่เป็นสารคดีนะครับ ที่ฉลอง50ปีของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music ผมเชื่อแน่ว่าท่านผู้โสที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกๆ ท, ท่านนะครับได้เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้วนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อเราถอยกลับไปดูในชีวิตของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงแสงดี พระเจ้าสรงแสนดีกับเราทั้งหลายทุกคนจบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะเนะาของพระเจ้าสดีบทที่สามสิบเจ็ดนะครับข้อที่ยี่สิบห้าที่บอกว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มแต่เดือนนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรำถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขาก็เป็นคํำพรกษัตริย์大卫ทด้เขียนว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและบัดนี้ แก่แล้วพี่น้องครับกษัตริย์ดวิดวเนี่ยได้ผ่านชีวิตของเขาอย่างเรียกว่าระหกระเหเร่ร่อนอย่างโชคโชนและเขาแก่ตัวลงเรื่อยๆทุกวันทุกวันเขาก็หันกลับไปดูในชีวิตของเขาที่ผ่านมาเคยหนุ่มตอนนี้แก่แล้วเขายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งจากพระเจ้าครับเขายังไม่เคยเห็นลูกหลานของคนชอบธรรม ไปขอานแต่ในทางกับกันเขาเห็นลูกหลานของคนชอบธรรมและผู้ชอบธรรมเขาแจกจ่ายอย่างกวาง้างขางกว้วววางขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของคนชอบธรรมนั้นก็เป็นพระพรก็เป็นธรรมพรเราทุกคนนะครับก็อายุมากขึ้นทุกวนันทุกวนัวนวันต่อวันปีต่อปีห้สิบ ป, ปีของภาพยนตร์ที่ผ่านมานะครับเราก็มีความรู้สึกว่ามันไ ม, ไม่ไม่น่าจะนานนะฮะ เราเห็นไหมครับว่าคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยห้าสิบปีผ่านไปเนี่ยภาพของเขารูปลักษณ์ของเขาหน้าต่างของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราเอารูปตอนที่เราหนุ่มๆสาวๆเป็นเด็กนะครับมาภาพกับรูปของเราทุกวันเนี่ยเราคงจะมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับหลายทนคนนะครับพยายามทําตัวเองให้ดูอ่อนวัยมนุษย์ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองแก่ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นผู้สูงวัยบางท่านนะครับแต่งตัวพนะูดจาแสดงอากักิริยานะครับเพื่อที่ให้ตัวเองนั้นดูเหมือนอายุน้อยลงเหมาะสมบ้างไม่เหมาะสมบ้างนะครับแล้วแตนะ่ไม่มีอะไรผิดในการที่กระทำแบบนี้ครับเพราะว่าทุกคนอยากจะเก็บความทรงจำในวัยวัยวัยหนุ่มวัยสาววันเก่าวันก่อน หลายหลายคนอยากจะหยุดอายุของตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นพอมีความสนุกสนานะครับกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวนะฮะบางคนก็ไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วเราก็อยากจะหยุดอยู่บางคนก็หยุดอยู่ที่วัยกลางคนเพราะว่าสามารถทํางานหนักได้โดยไม่เหนื่อยเป็นวัยแห่งการพุ่งทยานนี่คือพัฒนาการของชีวิตมนุษย์บางคนอยากจะหยุดไว้ที่หกสิบครับเพราะเป็นวัยที่ประสบความสําเร็จเป็นวัยที่เรียกว่า สูงสุดแล้วเป็นเป็นจุดสูงสุดของชีวิตแล้วยังไงก็ดีครับเวลาที่ผมเเข้าไปในปั๊มน้ํามันนะฮะเปิดเติมน้ํามันเนี่ยเด็กปั๊มเนี่ยก็มักจะมาบอกว่าเติมเท่าไหร่ปา๋าผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราเป็นป๋าไปแล้วเหรอนะครับเวลาที่อยู่ที่เนอร์เซอรี่ครับเนอร์เซอรี่พวกเด็กเด็กเนอร์เซอรี่ของเรานะครับน่ารักมากเลยเขาเรียกผมว่าสวัสดีคุณปู่ พี่น้องครับเวลาเราถูกเรียกนะฮะอย่างนี้นะจากคนแปลกหน้าบ้างจากคนที่เรารู้จักกันบ้างนะมันบางครั้งก็สร้างความหงุดหงิดนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็สะท้อนว่าเราเริ่มเป็นคนที่น่านับถือในสังคมแล้วมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมีหลายอย่างที่เราเคยทำได้เวลานี้เราทำไม่ได้แล้วครับนะคนที่กำลังจ ะ, กะเกษียณเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องเตรียมตัวกเกษียร่วงหน้าอย่างน้อยห้าถึงสิบปีผมคิดถึง คนจีนที่เคยเปิดร้านโชว์หวยขายของนะฮะและลูกหลานเนี่ยไม่อยากจะรับกิจการต่อเมื่อถึงวันที่เขาจะทำไม่ไหวและปลดป้ายชื่อร้านลงเนี่ยนะครับเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับคนที่กำลังจกกะเกษียณเหมือนกันทั้งหลายครับในทางกายภาพเนี่นะฮะเราไม่มีทางที่จะหนีจากสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องของความชรามันเป็นพัฒนาการของมนุษย์ครับเป็นพัฒนาการของมนุษย์แต่ในทาง อีกทางหนึ่งในทางกลับกันการที่เราแก่ตัวลงเรื่อยๆสุขภาพเราเสื่อมลงเรื่อยๆนั้นมันมาจากความบาปอย่างนี้นก็ตามครับเราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมสิ่งที่ดีกับลูกของพระองค์เสมอไม่ว่าเราจะกินวิตามินอะไรแพงแค่ไหนอาหารเสริมอะไรบ้างเราจะใส่ใจเรื่องอาหารการกินยังไงออกกําลังกายสม่ําเสมอมากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่สามารถหยุดยั้งความชาราของเรามันเพียนเพียงแค่ชะลอเฉย หรือเราจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมากแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งที่จะทำให้เราไม่เป็นโรคภัย ไ, ไข้เจ็บได้เพียงแต่มันก็ชะลอไปเฉยเช่นเดียวกับความจำครับความคิดของเราก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลงทดถอยลงไม่คมเหมือนเก่าในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการระลึกถึงนะครับให้กำลังใจให้ความรักกับผู้อาวุโส เราต้องรู้อยู่ยามก็ว่าความเป็นอาวุโสหรือความแก่นั้นนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงเราเริ่มทํางานหนักไม่ไหวแล้วเราเริ่มต้องงีบบ้างหลับบ้างในตอนกลางวันแล้วเราต้องเราอ่านหนังสือทํางานตลอดคืนไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเราเคลื่อนไหวช้าลงและดูเหมือนใช้สมองมากขึ้นแต่จริงก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้สมองมากเท่าไหร่นะเราเริ่มเราเริ่มเลิกกินแบบเต็มที่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าระวังอาหารไม่ย่อย เราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราเป็นกฎไหล ย, ย้อนแล้วนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยยาสักเม็ดเราก็ไม่เคยกินโรงพยาบาลก็ไม่เคยเข้าแต่ตอนนี้เรากินยาเป็นเป็นกรรมครับกินยาเป็นอาหารผมอยากจะถามว่าพี่น้องครับในเช้านี้มีใครลืมทานยามาบ้างไหมครับนั่นแสดงว่าอะไรครับเราเข้าสู่กระบวนการผู้อุโสลบทมีอย่างหนึ่งครับที่ไม่เคยแก่นั่นคือจิตวิ ญ, ญญาณของเรา จิตอินยานของเราเนี่ยจะพัฒนาไปไเรื่อยๆเติบโตไปไเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความเจริญรุ่งเรืองพระพีบอกว่าสู่ความไพ่บูลณ์ของพระคริสต์เพราะฉะนั้นสําหรับผู้อุศนะครับความงดงามนี้อยู่ข้างในนะครับก็คือจิตอิญยาณของท่านเหล่านั้นนนั่เองเพราะฉะนั้นการเตรียมการเตรียมจิตอิญยาณให้เติบโตนะครับเป็นเป็นสภาวะของผู้อุศที่หน้าที่เป็นความงดงามมากที่หน้าใครครวรหน้าปรารถนายิ่งนัก เพราะฉะนั้นเราจะเห็นท่านผู้โสในคิดจักของเรานะครับก็คือว่าท่านมาด้วยรอยยิ้มยั่งยืสมากท่านมาด้วยสีหน้าที่ที่แสดงถึงความรักเมื่อได้พูดคุยกับท่านผู้โสเนี่ยผมเองมีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งครับก็คือเราจะเห็นว่า ชีวิตของผู้อุโสจิตวิญญาณของผู้อุโสนั้นจะต้องดําเนินไปถึงสู่ความไภบู์ของพระคริสต์เพราะว่าจิตวิญญาณ น, นั้นคือสิ่งที่ไม่เคยแก่ไม่ได้เสื่อมมีแต่เจริญนะครับมีแต่ถูกยกสูงขึ้นทางเดียวดังนั้นผู้อุโสจึงสามารถกล่าวอย่างที่กษัตริตย์วิทยได้เขียนไว้ในยามชาราภาพของพระองค์ว่าเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าแก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้ง หรือเห็นพงพันธุ์ของเขาขอทานเขาใจกว้างและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขานั้นก็เป็นคําพรครับนี่คือสิ่งที่กษัตวิทย์ได้ย้าเน้นได้กําลังใจผู้อาวุโสว่วาเราจะมีชีวิตอยู่ในช่วงวัยแห่งความโอาวุโสนี้ด้วยการสํานึกในขอบคุณพระเจ้าในการขอบคุณพระเจ้าด้วยการรู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดีในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนผมจะไม่ถามผู้อาวุโสนะครับว่าสองสัปดาห์ที่แล้วผม เทศนาหัวข้ออะไรบ้างแต่ผมจะถามคนหนุ่มสาวนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเสองสัปดาห์ที่แล้วผมเทศนาหัวข้ออะไรบ้างครับพี่น้องจำได้ไหมครับหัวข้อเอเบนเอเอใช่ไหมครับเอเบนเอเแปลว่าอะไรครับแปลว่าพระเจ้าทรงช่วยเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และในวันนี้หัวข้อคําเทศนาก็คือว่าพระเจ้าทรงแสนดีแท้จริงแล้วในภาคภาษาอังกฤษนะครับ จะใช้คําว่าหลายสิบปีที่ผ่านมานี้พระเจ้าดีกับข้าพเจ้าเสมอเข้มือไหมครับพี่น้องคนระับหลายสิบปีที่ผ่านมานี้พระเจ้าทรงดีต่อข้าพเจ้าเสมอพี่น้องครับเราได้รับบทเรียนสาบทเรียนในเช้าวันนี้จากสดุดีบทที่สาสิบเจ็ดข้อยี่สิบห้ายี่สบหกสามประการครับบทเรียนแรกก็คือพระเจ้าทรงแสนดี ข้าดาวิทย์กลังบอกว่าพระเจ้าทรงดีต่อข้าพระเจ้าเมื่อข้าพระเจ้าเป็นเด็กสถานที่ที่ข้าซาดาวิทเคยไปเมื่อตอนเป็นเด็กข้าซาดาวิทอาจจะถูกฆ่าส่าทิได้อาจจะเสียชีวิตได้ก็คือตอนที่สู้กับโกลายแอตแต่เพราะพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าแสนดีและด้วยฤทธิเดชและการช่วยเหลือกําลังที่มาจากพระเจ้าทรงนําชัยชนะมาถึงชีวิตของข้าซาดาวิทที่ได้ฆ่าโคลายแอ เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับตอนที่พวกเราเป็นเด็กสถานที่ที่เราเคยไปเมื่อตอนเป็นเด็กเราอาจจะไม่ปลอดภัยเราอาจจะตายไปก็ได้นะครับแต่พระเจ้าประเสริฐพระเจ้าแสนดีด้วยฤทธิเดชและการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้ารอดมาได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้กาาดาวิดเคยครั้งหนึ่งเหลืองอำนาจคลากภรรยาจากสามีและก็ ได้ทำการบาปนะครับก็คือได้เอาบัดเชบามาเป็นภรรยาแต่พระเจ้าก็โปรดยกโทษเมื่อขษัตว์ดาวิดได้สารภาพความบาปของตนต่อพระเจ้าและขษัตว์ดาวิดได้เขียนเจ ด, ดียบทที่ห้าิบเอ็ดเป็นคำสารภาพบาปและการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ท่านเขียนว่าข้าพเจ้าพระเจ้าทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าไว้เมื่อข้าพระองค์ทำผิดพลาดจากน้ำมัทไทยของพระองค์เนียรับเช่นเดียวกันครับชีวิตของพวกเราหลายสิบปีที่ผ่านมานี้พระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้ายกโทษให้อภัยบาปของเราทั้งหลายตลอดมากษัตริย์วิทย์จะเขียนได้อีกก็คือตอนที่เขาได้ทำบาปคือหลงไปนะครับและนับประชากรของพระเจ้า หลายคนมีคำถามตรงนี้นะครับว่าทำไมกษัตริย์นับประชากรของพระเจ้าแล้วทำผิดด้วยหรือคำตอบก็คือว่าค่าทีของกษัตริย์ที่นับประชากรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าบอกว่าเจ้ากำลังทำบาปก็คือเพื่อที่จะดูความยิ่งใหญ่ของตัวเองดูความยิ่งใหญ่ของตัวเองดูความสำเร็จของตัวเองดูว่าตัวเองเนี่ยมีกองทัพมากมายขนาดไหนมีประชาชนมากมายขนาดไหนแต่เขาไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เขาไม่สํานึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเขาเพราะฉะนั้นการนับประชากรของกษัตริย์ดาวิดนั้นจึงเป็นการบาปและพระเจ้าก็ลงโทษเขาทีนึงครับสามเรื่องสามราวจากเหตุการณ์ของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดได้บอกว่าพระเจ้าทรงแสนดีพีนึงครับในชีวิตของเรานะฮะในขณะนี้เนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ถือว่าเป็นวิกฤตของชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่อยากจะบอกกับพี่น้องว่า <_ Data> พระเจ้าทรงแสนดีหลายสิบปีที่ผ่านมานี้พระสัญญาของพระเจ้าความศักด์ซืทอของพระเจ้าไม่เคยพลาดจากชีวิตของเราทั้งหลายเลยพี่น้องครับพระเจ้าทรงแสนดีในชีวิตของเราทั้งหลายครับหลายหลายคนไปในทางที่ไม่ควรไปไปใน ท, ที่ที่ไม่ควรไปดื่มสิ่งที่ไม่ควรดื่มกินสิ่งที่ไม่ควรกินเสพสิ่งที่ไม่ควรเสพคบคน ที่ไม่ควรขบเราทั้งหลายทําในสิ่งที่ลูกของพระองค์ไม่ควรทําแต่พระเจ้ายังทรงสงวนชีวิตของเราไว้ครับพระหัตถ์ของพระเจ้ายังปกป้องคุ้มครองเราเสมอพระองค์ยังทรงแสนดีกับเราเรื่อยมาพี่น้องครบับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าทรงแสนดีนะครับพี่น้องอาเมนไหมครับอยากจะให้พี่น้องได้หันไปบอกกับคนข้างๆว่าพระเจ้าแสนดีกับข้าพเจ้าเสมอครับพี่น้องครับพระเจ้าแสนดีกับพระเจ้าเสมอพระองค์ดีต่อฉัน ปกป้องฉันให้อภัยฉันพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทํากับเราทั้งหลายพระเจ้าแสนดีนะครับพระเจ้าแสนดีใครเป็นคนต่อลมหายใจให้กับเราทุกๆเช้าใครเป็นคนปลุกเราจากที่นอนใครเป็นคนให้สุขภาพที่แข็งแรงเพียงพอจะดูความสําเร็จของลูกหลานต่อไปพี่น้องครับในเช้า ว, วันนี้ผมอยากให้กําลังใจครับใครที่ปวดเขา่าปวดข้ อ, ป ว, ขอปวดหลัง นะฮะแต่พระเจ้ายังแสนดีบางท่านอาจจะมีหัวใจที่ยังไม่แข็งแรงนะยังมีการติดตันของหลอดเลือดอยู่แต่พระเจ้าแสนดีบางท่านต้องกินยาความดันทุกเช้ากินยาเบาหวานทุกเช้านะครับต้องกินป้องกันเส้นเลือดตีดต้องป้องกันการพิการแต่พระเจ้าทรงแสนดีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับ ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนหลายหลายชั้นที่ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลบางท่านเนี่ยก็เราอธิษฐานเผื่อทุกๆุกวันเราเห็นว่าพระเจ้าทรแงแสวงแม้ว่าเราจะอยู่ในโรงพยาบาลแม้ว่าเราจะอยู่ในความทุกข์ยากลําบากแม้ว่าเราจะอยู่ในวิกฤตของชีวิตเราก็จะมั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงแสน God is good พี่น้องครับช่วยตอบหน่อยครับ all the time and all the time God is good พี่น้องครับพระเจ้าทรงแสนดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงแสนดีกับชีวิตของเราเสมอครับนี่คือบทเรียนประการแรกบทเรียนประการที่สองครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าคนชอบธรรมนั้นจะไม่ถูกทอดทิ้งครับเราเราเรียนบทเรียนที่สองในวันนี้คือคนชอบธรรมจะไม่ถูกทอดทิ้งและพงพัน์ของเขาก็เป็นคำพรครับเป็นคาพนก็คือว่าคนจะพูดถึงลูกหลานของคนชอบธรรม ในทางที่ดีในการสรรเสริญพระเจ้าเป็นพระพรที่พระเจ้ามอบให้กับครอบครัวนี้พงพั น, นุนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ชอบทำผมอยากจะยกสดุดีบทที่ยีิบสามข้อที่หนึ่งนะครับบอกว่าข้า พ, พเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนคนชอบธรรมจะไม่ขัดสนครับคนชอบธรรมจะไม่ถูกทอดทิ้ง เราได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่ากษัตราวิทย์กำลังบอกเราว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานี่พระเจ้ายังไม่เคยเห็นว่าลูกของพระเจ้าหรือคนชอบธรรมนั้นถูกทอดทิ้งเลยไม่มีสักวันหนึ่งที่พระเจ้าไม่ได้ห่วงใยเราไม่มีอะไรที่เราไม่เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้และพระเยซูเป็นคำตอบในชีวิตของเราเสมอมีเพลงเพีงหนึ่งบอกว่าพระเยซูเป็นคำตอบในชีวิตของเราเสมอหากคุณมีปัญหาอยู่ในมุมหนึ่งแห่งดวงใจกำลังใจและสันติสุขไม่เคยพบสักนิด สิ่งเวลวร้ายในอดีตติดตามชีวิตทุกวันมีสิ่งเดียวที่ฉันมั่นใจพระเยซูทรงช่วยเราได้พระเยซูทรงช่วยเราได้และทันเวลาเสมอพระองค์ไม่เคยมาสายครับเมื่อเราเป็นเด็กเรามักใจร้อนเราอยากจะให้พระเจ้าตามใจเราแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราต้องมั่นใจว่าเราไม่เคยเห็นจะไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งและลูกหลังนั้นเขาขอทานเรามักจะได้ยิน เสมอจากผู้ใหญ่ผู้โอโซฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้าไม่เคยมาสายแต่ทรงมาทันเวลาเสมอไม่ช้าและไม่สายไม่อาจจะไม่ทันใจเราเราจะพูดวันนี้ได้ไหมครับว่าหลายสิบปีที่ผ่านมานี้พระเจ้าทรงแสนดีกับข้าพเจ้าหลายสิบปีที่ผ่านมานี้พระเจ้าทรงแสนดีกับข้าพเจ้าแม้ว่าเราทุกคนอาจจะทำบาปเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ แต่พระเยซูของเรานั้นทรงไม่มีบาปครับและพระองค์ทรงช่วยเราได้และทรงประทานชีวิตของเราให้สมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะพระพระเยซูทรงแสนดีครับใครก็ตามที่รักพระองค์มอบชีวิตของเขาให้กับพระองค์ชีวิตของเขาจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยพระเจ้ะของพระเจ้าในสิ่ดีบทที่34ข้อสิบนะครับขอเชิญอ่านพร้อมกันนะครับเราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหวิวโหย แต่บรรดาผู้ที่สแสวงพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆเลยพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้ที่สแสวงพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆเลยในคิดจักรของเรานะครับหลายหลาท่านเจ็บป่วยอยู่ขอให้เราอธิษฐานเผื่อเขานะครับเผื่อท่านเหล่านั้นในคิดจักของเราหลายหลาท่านอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตทีมเยี่ยมเยียนของเรานะครับหลายหลายเดือนที่ผ่านมาก็ไปเยี่ยมเยียนท่านอย่างตลอดด้วยความสมำ่ำเสมอ ผมอยากจะฝากให้กำลังใจว่าเราไม่ต้องกลัวครับผู้ที่อยู่ในวราระสุดท้ายของชีวิตหรือผู้ที่อาวุโสนะครับไม่ต้องกลัวเพราะเราเตรียมตัวย้ายบ้านครับเราเตรียมตัวย้ายบ้านไปสู่สถานที่ที่ดีกว่านะครับจากความดีความสัตด์สืทอของพระเจ้าที่เราเห็นในโลกนี้นะครับเราจะถูกยกระดับความดีความสัต ด, ด์ ส, ะะนน ine, ดสืทอของพระเจ้าในระดับสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นในโลกนี้เราเห็นความดีความสัตด์สืทอของพระเจ้าในระดับหนึ่ง แต่มีวันหนึ่งนะครับเมื่อเราย้ายบ้านใหม่เราจะเห็นความดีความสัตด์สื่อของพระเจ้าในระดับสูงสวรรค์ที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราแต่ความรักของพระองค์มีต่อเราทั้งหลายทุกคนและด้วยเหตุ น, นี้เราทั้งหลายจึงมีความหวังใจครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเราจะต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะไปพบกับองค์พระวิญญาณเจ้าเราเตรียมตัวย้ายบ้านพี่น้องครับผมอยากจะเรียนถามทุกท่านว่าเราเตรียมตัวย้ายบ้านแล้วหรือ ย, อยังครับ เราเตรียมตัวย้ายบ้านแล้วหรือยังบทเรียนที่สามครับให้เราจาจาให้ได้พึงจำไว้ว่าพระหัตของพระเจ้าพยุงเราอยู่ในข้อยีบสามยสี่นะครับชัดเจนพระหัของพระเจ้าพยุงเราอยู่ถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมันคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าพยุงเขาไว้ ที่นะครับโปรดจําไว้ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าพยุงเราอยู่ครับทุกวันนี้ที่เรายังแข็งแรงอยู่ได้ยังมีลมหายใจอยู่ได้เรายังตื่นขึ้นมาในทุกๆวันได้เพราะอะไรครับเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าพยุงเราอยู่ดูแลเราทั้งกลางวันและกลางคืนพระเจ้าผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่เพิ่มรับหรือนิทราพระเจ้าดูแลเราทั้งว่าเราทั้งกลางวันและกลางคืนผมอยากจะพูดถึงความจําครับ หลายหลท่านที่เป็นผู้โอุโสนะครับความจําไม่ค่อยดีเหมือนเดิมความจํานั้นเป็นเรื่องสําคัญบางครั้งเราอยากจําก็กลับลืมอยากลืมก็กลับจํานะครับแต่สิ่งที่ไม่ควรลืมไม่จดจําได้เสมอตลอดชีวิตก็คือพระเจ้ารักเราหลายสิบปีที่ผ่านมานี้พระองค์ทรงดีกับข้าพระองค์อยู่เสมอพระองค์ทรงรักเราและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราพี่น้องครับคําว่าจดจําหรือ remember เนี่ยนะครับ ในพระคัมภีร์เนี่ยมีพูดถึงทั้ง250ครั้งถามว่าทําไมต้องพูดเยอะขนาดนี้เพราะเรามักจะลืมสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราการมองย้อนกลับไปในอดีตในการนับพระคุณนับพระพรของพระเจ้าจดจําพระพรนะครับวันนี้เราเข้าสู่พิธีมาหาศิษิ์ศิษย์นี่คือพิธีลําลึกครับพิธีละลึกสมัยก่อนเรียกว่าพิธีศีลละลึกหมายความว่าเราระลึกถึงใครครับลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์ลึกถึง พันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับเราระลึกถึงความรักของพระองค์ที่สำแดงออกไม้กางเขนพระเยซูทรงตั้งพิธีมหาสิทธศักดิ์สิทธิ์เพื่อเราร ะ, ะลึกถึงจุดศูนย์กลางแห่งความสั่นโลกและแผนการของพระเจ้านั่นคือการสิ้นพระชนและการเป็นขีนความตายของพระเยซูคริสต์นั่นเองเพราะฉะนั้นให้เราระลึกถึงพระเยซูเสมอครับให้เราระลึกถึงพระเยซูเสมอทีอ่บุบบทที่1นข้อแได้กล่าวว่าแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าขา้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิทนิรัน พระกาถาแห่งแผ่นดินของพระองค์ก็เป็นพระคาถาที่ยธรรมเราจะต้องรู้จักพระเยซูให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและระลึกถึงพระเยซูสิ่งที่พระองค์ได้ทํากับพวกเราเราเลื่อนถึงสงญาราศีของพระเยซูครับเสรดรีบทที่45ข้อ17ได้บอกว่าเราจะกระทําให้นามของพระองค์เป็นที่เชิดชูตลอดบรรดาชาติพันธุ์ฉะนั้นชนชาติทั้งหลายจะสรุปดีพระองค์ท่านเป็นนิจจการสงญญาราศีของพระเยซูนั้น สมควรอย่างยิ่งที่รับคําสรรเสริญจากพวกเราทั้งหลายแต่ด้วยเหตุที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบแล้ว น, นะครับว่าท่านผู้วิโสนั้นเป็นผู้ที่มีความเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณเพราะฉะนั้นการเติบโตฝ่ายวิญญาณ น, นั้นไม่มีการแก่ครับมีแต่ ก, การเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรายิ่งวันจะยิ่งเห็นสง่าราศีของพระเยซูนะครับเรายิ่งวันเรายิ่งจะรักพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นอาเมเนครับพี่น้องครับ เป็นคําอธิษฐานของเราที่จะ อ, อธิษฐานเผื่อท่านผู้วุโ ส, สอธิษฐานเผื่อตัวเราเองด้วยครับว่าเราจะต้องรักพระเยซูมากขึน้นเราอยากจะรู้จักพระเยซูมากขึน้นเพื่อเราจะอะไรครับเพื่อเราจะรับใช้พระองค์มากขึน้นเราจะอธิษฐานมากขึน้นเราอ่านพระวจนะของพระเจ้ามากขึน้นอธิษฐานเผื่อลูกหลานของเรามากขึน้นให้เราระลึกถึงพระเยซูเสมอพระเยซูกษัตริย์ของเราทั้งหลายนะครับสมควรอย่างยิ่งที่จะรับธําสรรเสริญคําโมทนาการยกย่องและการระลึกถึงจากเราเสมอ ลึกถึงเสมอว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดและองค์พระวิญญาณเจ้าของเรากษัตริย์ของข้าพองค์เราจะต้องขอพระเจ้าให้ส่งการและลึกถึงเนี่ยไปถึงลูกหลานของเราครับไปถึงบรรดาประชาชาติไปถึงพี่น้องร่วมชาติไปถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อคนเหล่านั้นจะร่วมกับเราในการนมัสการพระเจ้าในการสรรเสริญพระองค์ตลอดไปนี่คือลึกถึงพระสิริสงหาราศีของพระเยซูประการที่สองครับเรา คุ้นจำไม่ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าพาลุงยุงเราอยู่ทําให้เราจะต้องระลึกถึงพระมหาบัญชาของพระองค์เสมอพี่น้องครับขีดจักรวัฒนาของเราก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้งวิวัฒนาซึ่งเป็นมิชชันนารีนะครับท่านได้ทําตามพระมหาบัญชาเราจึงมีที่ดินที่สวยงามนะครับเกือบยี่สิบไร่มีวันหนึ่งได้ไปมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่อยู่แถวเนี้ครับบ้านของท่านอยู่แถวเนี้ยเขาบอกว่าภรรยาของท่านเนี่ยชอบอยู่แถวอโศก เขาอยู่แถวสุภุมิตเพราะว่าเป็น the center of the center เพราะฉะนั้นคิดจักรวัฒนาของเรานะครับอยู่ในทําเลหรือใน ย, ย่านที่เรียกว่า the center of the center เพราะเนื่องจากมิชชันนีเหล่านั้นเขาละลึกถึงพระมหาบัญชาของพระเยซูและเขาทําตามพระเจ้าจึงให้เรามาอยู่ในคิดจักรวัฒนาแห่งนี้และมีอาคารสถานที่ที่สวยงามไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะครับพี่น้องครับแต่เป็นหน้ามัยของพระเจ้าที่ท่านเดินมาและเป็นสมาชิกของคิดจักรแห่งนี้พระเจ้าเลือกพระเจ้า มีพระประสงค์ที่ดีและเราอยู่ในหน้ามัธยัยและพระประสงค์ของพระเจ้าเราอยู่ในแผนการของพระองค์ฉะนั้นเราจึงอยู่ในพระมหาบัญชาของพระองค์เราต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าเมื่อเราไปถวายแรงงานกับพระเจ้าในวันนั้นที่เราไปอยู่กับพระองค์นะครับเราอาจจะต้องร้องเพลงเพลงนี้นะครับเสมอว่าข้าต้องเฝ้าพระเจ้าด้วยมือเปล่าหรือไม่ได้นาวิญญาณถวายพระองค์หรอก เพลงนี้เป็นเพลงที่กระตุ้นนะครับจิตสานึกของเราในการระลึกถึงพระมหาบัญชาของพระเจ้าจะมีวิ ญ, ญญาณสกี่ดวงที่เราจะนำไปถวายพระองค์ครับนะครับตรงนั้นเรากงไม่ได้ถวายทรัพย์สมบัติอีกแล้วนะครับตรงนั้นเรากงไม่ได้เอาโฉนดไปให้พระเยซูอีกแล้วแต่ตรงนั้นเราจะนำวิญญาณถวายกับพระองค์และวิญญาณเหล่านั้นเป็นวิญญาณที่มีคุณค่าสูงมากครับเพราะว่า ถ้ามีสักหนึ่งดวงวิญญาณหนึ่งชีวิตที่กลับใจใหม่เชื่อในพระเจ้าทูตสวรรค์และเราชาวสวรรค์โผล่รองสรรเสริญนี่คือสิ่งที่เป็นหน้ามไทยของพระเจ้าเป็นแมมหาบัญชาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในวันระลึกครอบครัวท่านผู้โศให้เราอธิษฐานเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนในครอบครัวของเราสาหรับสมาชิกในครอบครัวของเรา ครับเราจะต้องระลึกสิ่งที่ลึกถึง <c oughs> ก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเราอยู่เสมอครับนี่เป็นประเด็นสุดท้ายในเช้า ว, วันนี้เราจะต้องระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเราเสมอหลายสิบปีที่ผ่านมานี้พระเจ้าทรงแสนดีกับข้าพเจ้าเราจะต้องค่อควรถึงพระคุณของพระองค์เสมอพ่อแม่ต้องเล่าให้ลูกฟังเสมอถึงการทรงนำของพระเจ้าการดูแล <c oughs> ของพระเจ้าการรักขาของพระเจ้า เหมือนคนอิสราเอลเขามักจะเล่าเรื่องการเป็นทาสในอียิปต์ของบรรพชนอิสราเอลการนาการที่พระเจ้าทรงนำบรรพรุษของเขาออกจากอียิปต์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนลูกหลานชาวอิสราเอลเนี่ยฝังอยู่ในดีเอเของเขาเลยนะครับและไม่สามารถดีลีทออกได้เช่นเดียวกันครับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เราจะต้องเล่าถึงความเชื่อของบรรพชนของเราครับประสบการณ์ของเรา ที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตให้กับลูกหลานของเราให้กับพี่น้องของเราครอบครัวของเราเพื่อนร่วมงานของเราเสมอผมจําได้ว่าตอนเด็กๆคุณพ่อมักจะเอาผมกับน้องสาวเนี่ยนะครับนอนคุณพ่อก็จะให้ท่องคำบีทุกคนทุกคนทุกคนยิ่งไปกว่านั้นนะครับคุณพ่อก็มีเชื้อสายมาจากเมืองจีนเป็นเจนเนอเรชั่นที่สาผมเป็นเจเนอเรชั่นที่สี่ซึ่งเป็นโอเวอร์ซีไชนีสในประเทศไทย คุณพ่อมักจะบอกว่าบ้านของเราที่เมืองจีนนะอยู่ที่ตำบล น, นี้หมู่บ้านนี้มณฑนนี้จังหวัดนี้อย่าลืมอย่าลืมรากเหง้าของตัวเองบอกอย่างนี้เสมอเสมอเสมอเสมอผมก็คิดถึงคนอิสราเอลก็เล่าให้ฟังว่าประชาชนของเขานะครับทุกๆุกคนจะต้องเรียนรู้และรับรู้ว่าบรรพชนของเขานั้นเป็นยังไงพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวอิสราเอล เขาจะสอนอย่างนี้ครับว่าบรรพบุรุษของเราคืออับราฮัมอิสอักและยาโคบมาเรื่อยๆจนถึงโยเซฟและมาเรื่อยๆจนถึงท่านกษัตริย์ดาวิดและมาเรื่อยๆนะครับจนทั่งถึงทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องไขครัวและปลูกฝังนะครับให้กับลูกหลานของเรานะครับเราจะต้องพูดถึงการยกโทษที่พระเจ้ามีให้กับเราพระคุณความรักของพระองค์ให้กับลูกหลานของเรา จงอย่าลืมและหมัน่นใครควรเสมอครับเพื่อที่เราและลูกหลานงเราจะเป็นพงพันธ์ที่รับการคุ้มครองจากพระเจ้าการอรัลาคาจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิพนี่คือสิ่งที่คษซาตาวิทย์บอกว่าไม่เคยเห็นลูกหลานของคนชอบธรรมขาดแคลนไม่เคยเห็นลูกหลานคนชอบธรรมนั้นต้องไปขอทานแต่ในทางกลับกันจะเป็นผู้ที่ให้จะเป็นผู้ที่แบ่งพันธพรผมอยากจะสรุปในเช้าวันนี้นะครับด้วยเรื่องเรื่องหนึ่งครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับลูกชายคนหนึ่งตอนที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่นั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีแต่ว่าเนื่องจากเด็กคนนี้ไม่รักดีและก็ตอนเป็นวัยรุ่นพวกเขาคนคนนี้ก็ไปพบคบกับเพื่อนๆและพวกเขาก็พากันไปทําผิดกฎหมายในที่สุดเด็กคนนี้วัยรุ่นคนนี้ถูกจับและถูกถังคุกติดคุกมาเป็นสิบปีขณะที่เขาออกจากคุกก่อนที่ออกจากคุกเขาเขียนจดหมายไปบอกคุณพ่อคุณแม่ เขียนด้วยนึกความอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังต้อนรับเขากลับบ้านตอนที่เขาจะนั่งรถไฟผ่านทางเข้าหน้าบ้านนั้นขอให้คุณพ่อคุณแม่ทําสั ญ, ญลักษณ์สักอย่างก็คือให้ผูกผ้าเหลืองผูกผ้าเหลืองไว้ที่ต้นไม้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าคุณพ่อคุณแม่ยังต้อนรับลูกคนนี้กลับบ้านแต่ถ้าเขาไม่เห็นเขาจะไม่กลับมาอีกเลยเขาจะไปตามทางเขาแล้วนะครับขณะที่ ผู้ชายคนนี้ตอนนี้เขาเป็นหนุ่มแน่นแล้วนะครับเขานั่งรถไฟผ่านทางเข้าบ้านขเขาเขาไม่กล้ามองครเขาไม่กล้ามองว่าจะมีผ้าเหลืองนะครับที่ที่ผูกต้นไม้ไว้เลเขาถามคนที่นั่ง ใ, ใกล้ๆว่าทางนี้ที่กำลังผ่านไปเนี่ยเห็นผ้าเหลืองผูกไยูที่ต้นไม้ไหมผ้าสีเหลืองผูกที่ต้นไม้มนะปรากฏว่า เขาได้คำตอบครับว่าเห็นเห็นผ้าสีเหลืองเนี่ยผูกกับต้นไม้เป็นร้อยรอยต้นเขาก็ลงที่สถานีข้างหน้าแล้วกลับบ้านปรากฏว่าที่บ้านเขาเนี่ยจัดงานใหญ่ต้อนรับชายหนุ่มคนนี้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทํากับเราเช่นเดียวกันับเราเห็นบ่อยครั้งว่าคนที่เพิ่งรับเชื่อนร้อนรนแสวงหาพระเจ้ามีประสบการณ์มากมายกับพระองค์ทุกวันนี้ที่จากของ เรานะครับขึ้จากวัฒนาของเราเนี่ยมีคนที่เดินมาเข้ามารับเชื่อพระเจ้ามากมีกระบวนการในการดูแลผู้เชื่อใหม่ผู้สนใจนะครับผู้ที่รับบัพต์มารเราเห็นนะครับว่าคนเหล่าเนี้กําลังเติบโตขึ้นเราเห็นว่าเขานั้นพัฒนาความสัมพันธ์ที่เขามีกับพระองค์หลายหลายคนเนี่ยมีปัญหาครับหลายหลาคนก็อยู่ในวิกฤตของชีวิตเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่าเนี้ครับเป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังให้ประสบการณ์กับพี่น้องเหล่านี้ ผ่านทางความอบอุ่นความรักที่เราให้กับเขาแต่เป็นไปได้ครับที่คนที่เชื่อนานแล้วนะครับมีกิจกรรมอยู่เยอะแยะมากมายในโบสถ์ทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับทำสิ่งที่ทำอยู่แต่ขาดไฟแต่ขาดไฟขาดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพราะเหตุที่ว่าเขานะครับประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้รู้จักพระเจ้าเท่าที่ควร และเพื่อที่เขาจะรักพระองค์ได้ดื่มด่ำขึ้นไม่มีประสบการณ์เหล่านี้ครับและไม่เพียงเท่านั้นเมื่อดื่มด่ำขึ้นเมื่อซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าเขาจะรับใช้พระองค์ตามน้ำมันไทยของพระองค์มากยิ่งขึ้นหลายๆครั้งในชีวิตของคนที่เชื่อมานานเนี่ยบางคนปล่อยให้ไฟมอดครับเมื่อถามว่าประสบการณ์ครั้งสุดท้ายความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายการช่วยเหลือครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าให้กับเราคือเมื่อไหร่คิดอยู่นานครับที่อยู่นานเมื่อไหร่นะเมื่อไหรนะ่นะครับ เราเห็นว่าครับชีวิตที่อยู่โดยปราศจากการแสวงหาพระเจ้าก็ไม่ต่างจากเหล่าสิงห์นุ่มที่จะหิวโหยได้ขาดแคลนได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีพระเจ้าแต่แต่ชีวิตของเราอยู่โดยปราศจากพระเจ้าเรามีพระเจ้าอยู่แต่ชีวิตของเราอยู่โดยปราศจากการแสวงหาพระเจ้าอยู่โดยไม่รู้ข้อจํากัดของตนดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง จึงเกิดความโกรนกระวายจึงจะต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากแหลง่งอื่นๆแทนที่จะแสวงหาจากพระเจ้าบางคนไปเคตจากรนะครับเพื่อหาใครสักคนที่จะช่วยเขาที่จะอุปการรักเขามากกว่าแสวงหาพระเจ้าและการช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาแสวงหามนุษย์ด้วยกําลังของมนุษย์เขาจึงหิวโหวยขาดแคลนและกลับไปมือเปล่าและมีชีวิตยอยู่ในความโกรนกระวายต่อไป ข่าวดีในวันนี้ก็คือว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่จัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นให้กับเราแต่พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราด้วยผมอยากจะจบในเช้าวันนี้นะครับด้วยพระดรรมยากรบทบที่สิบเจ็ดทที่หนึ่งข้อสิบเจ็ดครับพิ่งพภีร ต, ตอนนี้ทำให้เรามั่นใจว่าในขณะที่เราอยู่ในทุกๆ ช, ช่วงวัยของชีวิตทุกๆพัฒนาการของชีวิตสิ่งที่พระเจ้าประทานกับเราไม่เพียงแค่ สิ่งที่จําเป็นแต่พระเจ้าจัดเตรียมของที่ดีที่สุดให้กับเราด้ยวยขอเชิญอ่านพร้อมกันนะครับของประธานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปลวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพระเจ้านะครับยังคงเหมือนเดิมวานนี้วันนี้และสืบสไปเป็นนิ